ต้นมน้ำขมก็ว่ามันหวานปานอ้อยไม่มาน่ารักก็รักหน่อยขอสอยก็ให้ซ่อยเกาเส้นเมื่อไรจะให้ใจอขอสอยคงให้เสือ่ออีกหน่อยก็ลืมเชื่ออีกหน่อยก็ลืมเชื่อ ท้าไมแม่ชอดอกไม้ก็มีแรกมาแจกเงินให้ใช่บ่อยขอรอยก็ให้สิแต่นานนานไปเบื่อน่านหน่อยขอรอยกลัวบอกไม่มีอีกหน่อยก็ลืมเชื่ออีกหน่อยก็ลืมเชื่อ เงินให้ใช่บ่อยขอร้อยอกก็ให้สิแต่นานนานไปเบื่อห น, หน่อยขอร้อยกลัวบอกไม่มีอีกหน่อยก็ลืมเชื่ออีกหน่อยก็ลืมเชื่อ